ท่านคิดค่าสอนเท่าไร่ไม่คิดร อ, อกยมถ้าอย่างนั้นท่านก็สอนไม่เก่งนะสิเธอกล่าวแล้วก็วางหูโทรศัพท์ไปเลยอาตมาเองก็เคยได้รับโทรศัพท์คล้ายๆกันเมื่อสองสมปีก่อนจากผู้หญิงลูกครึ่งโปลีสออสเตรเลียเธอถามว่า